กุศโลบายอันเยี่ยมบารมีหกกุศโลบายและปัญญาประสานเป็นหนึ่งหลังจากนั้นให้คงรักษาความตั้งใจที่จะสร้างสมบุญบารมีด้วยการปฏิบัติทานศีลคันติ วิริยะสมาธิและปัญญาซึ่งมีสุญญาตาและมหากรุณาเป็นรากฐานสำคัญภายในหากเธอปฏิบัติเช่นนี้การภาวนาอย่างตั้งมั่นของเธอก็ย่อมทำให้เกิดการแจ้งชัดถึงสุญญาตาอันเป็นธรรมอันเลิศกว่าธรรมใดๆทั้งสิ้นในรัตนจูทรสูตรกล่าวว่า ยงสวมเกราะแห่งความเมตตาและคงอยู่ด้วยความกรุณาอันยิ่งใหญ่ปฏิบัติสัมมาฌานอันแจ้งชัดถึงสุญญาตาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศกว่าธรรมใดๆแล้วอะไรเล่าคือสุญญาตาที่ชื่อว่าเป็นธรรมอันเลิศมันคือการที่มิได้คลาดจากทานศีล ขันติวิริยะสมาธิปัญญาและกุศโลบายอันเลิศต่างๆโพ ธ, ธิสัตท์ทั้งหลายต้องเชื่อมั่นในการบำเพ็ญกุศลบารมีเช่นทานเป็นต้นในฐานะกุศโลบายที่จะช่วยพัฒนาสรรพสัตว์และเพื่อที่จะทำให้ดินแดนแห่งพุท ธ, ธะ ร่างกายและผู้ติดตามอันมากมายนั้นสมบูรณ์พร้อมหากไม่เช่นนั้นแล้วอะไรอื่นเล่าจะเป็นเหตุของดินแดนเหล่านั้นดินแดนแห่งพุทธะและอื่นๆที่พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงสัพพัญยุตัยานนั้นเป็นเลิศดแห่งคุณธรรมทั้งปวงย่อมจะบรรลุถึงได้ ด้วยทานและกุศลบารมีอื่นๆดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงกล่าวว่าสัพพัญยุตายานย่อมจะสมบูรณ์ได้ด้วยกุศโลบายอันเลิศดังนั้นโพธิสัตท์ ท, ทั้งหลายก็ควรสร้างสมกุศลบารมีทั้งหลายเหล่านั้นให้สมบูรณ์ ไม่ใช่ใส่ใจแค่เพียงการภาวนาในเรื่องสุญญาตาเพียงอย่างเดียวพระสูตรกล่าวว่าโอไมตรียะโพธิสัตท์ทั้งหลายย่อมบำเพ็ญบารมีทั้งหกให้สมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดแห่งพุทธภาวะแต่คนเค้ากลับคิดว่าโพธิสัต ควรเจริญแค่เพียงปัญญาบารมีเท่านั้นมันไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเจริญบารมีที่เหลือพวกเขาต่างปฏิเสธบารมีข้ออื่นๆืไมตริยะเธอมีความเห็นเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อกษัตริย์แห่งเมืองกาชีได้เฉือนเนื้อของตนให้แก่เยี่ยวเพื่อช่วยเหลือนกพิราบนั่นคือปัญญาที่มัวหมองหรือ ท่านไมตรีทูลตอบว่าหามิได้พระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อว่าไมาตรียะเธอเองก็ได้บำเพ็ญทานบารมีถึงห0สิกัปศีลบารมีห0สิกัปขันติบารมีห0สิกัปวิริยะบารมีห0สิกัปสมาธิบารมี หกสิบกับและปัญญาบารมีอีกหกสิบกับซึ่งแม้เช่นนี้พวกคนเขาก็ยังคิดว่าทางเดียวที่จะบรรลุถึงซึ่งพุทธภาวะคือการภาวนาเรื่องสุญญาตาเท่านั้นนั่นการปฏิบัติของพวกเขาจึงผิดพลาดโดยสิ้นเชิง โพธิสัตว์ผู้ที่มีปัญญาแต่ปราศจากกุศโลบายย่อมเป็นดังเช่นสาวกไม่สามารถจะกระทากิจอย่างพระพุทธเจ้าได้แต่เขาจะสามารถกระทาเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่ออาศัยกุศโลบายอันเยี่ยมเท่านั้นพระตนะกูตสูตรกล่าวว่ากัสปะมันเป็นเช่นนี้เหมือนกับกษัตริย์ที่ได้รับ การสนับสนุนจากคณะเสนาอัมาตย่อมสามารถปกครองบ้านเมืองได้ตามประสงค์ฉันใดเช่นเดียวกันเมื่อปัญญายาณของพระโพธิสัตว์ได้รับการเกื้อหนุนจากกุศโลบายอันเยี่ยมโพธิสัตว์ผู้นั้นย่อมสามารถกระทำกิจแห่งองค์พุทธะได้ฉันนั้น วิถีทางแห่งโพธิสัตว์วิถีทางแห่งพวกนอกพุทธศาสนาและวิถีทางแห่งสาวกภูมินั้นล้วนแตกต่างกันตัวอย่างเช่นวิถีทางของพวกนอกพุทธศาสนาย่อมเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนและอื่นๆซึ่งวิถีทางเช่นนั้นย่อมขาดปัญญาโดยสิ้นเชิง ซึ่งมันไม่มีทางจะนำไปสู่การบรรลุหลุดพ้นได้ส่วนวิธีทางของสาวกภูมินั้นมักจะไม่ใส่ใจในมหาเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่และปราศจากกุศโลบายอันเลิศแต่พวกเขามุ่งที่จะทำตนให้เข้าสู่นิพพานโดยถ่ายเดียว แต่วิธีทางของโพธิสัตว์นั้นพร้อมไปด้วยปัญญาและกุศโลบายอันเลิศดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเข้าถึงนิพพานอันไร้การทรงอยู่นอนอบดิเนวนาเนื่องเพราะพลังแห่งปัญญาพวกเขาจึงไม่จมอยู่ในสังสารวัฏ และเนื่องเพราะพลังแห่งกุศโลบายอันเลิศพวกเขาจึงไม่จมอยู่ในนิพพานในกายะศีรษะสูตรกล่าวว่าวิธีทางแห่งโพธิสัตว์โดยย่อนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนซึ่งก็คือกุศโลบายอันเลิศและปัญญา ในคำพีอริยะสีปรมาทยาก็กล่าวไว้เช่นกันว่าปัญญาบารมีนั้นเป็นประหนึ่งมารดาและความเชี่ยวชาญในกุศโลบายอันเลิศนั้นเป็นประหนึ่งบิดาวิมลเกิรตินิเทศสูตรก็กล่าวไว้ว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกมัดของโพธิสัตว์ และอะไรเล่าเป็นการหลุดพ้นการหลงยึดติดชีวิตในสังสารวัตโดยปราศจากกุศโลบายนั้นคือเครื่องผูกมัดของโพธิสัตว์แต่การใช้ชีวิตไปในสังสารวัตด้วยกุศโลบายอันเลิศนั้นคือการหลุดพ้นการหลงยึดติดชีวิตในสังสารวัต โดยปราศจากปัญญานั้นคือเครื่องผูกมัดของโพธิสัตว์แต่การใช้ชีวิตในสังสารวัตด้วยปัญญานั้นคือการหลุดพ้นปัญญาที่ปราศจากกุศโลบายคือเครื่องผูกมัดแต่ปัญญาที่ร่วมกับกุศโลบายคือการหลุดพ้นกุศโลบายที่ปราศจากปัญญา คือเครื่องผูกมัดแต่กุษโลบายที่ร่วมกับปัญญาคือการหลุดพ้นหากโพธิสัตว์ภาคเพียงเพาะบ่มแค่เพียงปัญญาเขาย่อมติดจมอยู่ในนิพพานชนิดที่เป็นที่ปรารถนาของสาวกซึ่งนั่นคือเครื่องผูกมัด และย่อมไม่สามารถเข้าถึงซึ่งนิพพานอันไร้การทรงอยู่ได้ดังนั้นปัญญาที่แยกขาดจากกุศโลบายคือเครื่องผูกมัดของโพธิสัตว์คล้ายกับบุคคลผู้หนาวสั่นจากลมหนาวย่อมสแสวงหาความอบอุ่นจากไฟโพธิสัตว์ ย่อมภาคเพียรเพราะบ่มปัญญาแห่งสุญญาร่วมไปกับกุสโลบายก็เพื่อขจัดลมแห่งมิจชาทิฐิทั้งปวงแต่เขาย่อมไม่ตกเข้าไปอยู่ในมันแบบที่สาวกธรรมทศธรรมมกสูตรกล่าวว่าโอ้กุลบุตรมันเป็นเช่นนี้เหมือนกับบุคคล ผู้เขารบบูชาไฟอย่างยิ่งศรัท ธ, ธาต่อไฟยกย่องไฟเป็นครูเขาก็ย่อมไม่คิดว่าเพราะว่าฉันเขารบบูชาไฟฉันควรจะกมไฟนั้นไว้ในมือทั้งสองนี่เพราะเขารู้ชัดว่าการกระทำเช่นนั้นย่อมทำให้เขาบาดเจ็บและทำให้เกิดความทุกข์ เช่นเดียวกันโพธิสัตว์ประหนักแจ้งชัดถึงนิพพานแต่ก็ไม่ดิ้นรนเข้าไปจมอยู่ในมันเพราะว่าท่านเข้าใจแจ้งชัดว่าการกระทำเช่นนั้นเขาย่อมคลาดเคลื่อนออกจากความรู้แจ้งหลุดพนหากโพธิสัตว์อาศัยเพียงกุศโลบาย เขาก็ย่อมไม่สามารถข้ามค้นความเป็นผู้ทุชนได้และก็ย่อมถูกผูกมดัดโดยเครื่องผูกทั้งหลายดังนั้นพวกเขาจึงเจริญกุศโลบายทั้งหลายไปพร้อมกับปัญญาบารมีด้วยพลังแห่งปัญญาโพธิสัตว์ย่อมสามารถปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งกิเลสตัณหาทั้งหลายให้กลายเป็นน้ำอมฤต เช่นเดียวกับพิษร้ายที่ถูกขจัดไปได้ด้วยมนตราอันศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรยายถึงคุณประโยชน์ของทานและบารมีอื่นๆซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้โดยธรรมชาติของมันรัตนากูตโสดกล่าวไว้ว่า กัสปะมันเป็นเช่นนี้เนื่องเพราะอํานาจแห่งมนตราและยาแก้พิษนั้นก็ไม่สามารถทําร้ายบุคคลให้ถึงตายได้ในทํานองเดียวกันเนื่องเพราะกิเลสของโพธิสัตว์ตกอยู่ภายใต้อํานาจของปัญญามันจึงไม่สามารถทําให้โพธิสัตว์นั้นตกลงสู่ภูมิต่ำได้ เนื่องเพราะอำนาจของกุษโลบายอันเลิศโพธิสัตว์จึงไม่ละทิ้งสังสารวัฏและไม่ติดจมอยู่ในนิพพานและเนื่องเพราะอำนาจของปัญญาโพธิสัตว์จึงสามารถอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นเขาจึงไม่ติดจมอยู่ในสังสารวัฏเช่นนี้แหละพวกเขา จึงบรรลุถึงซึ่งนิพพานอันไร้การทรงอยู่แห่งพุทธภาวะในอริยคัคคณะขันชสูตรยังกล่าวว่าเนื่องเพราะปัญญายานโพธิสัตว์จึงสามารถขจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปเนื่องเพราะความรอบรู้ในกุศโลบายอันแยบยน เขาจึงไม่ทอดทิ้งสรรพสัตในสัตธินิรมโมจนสูตรกล่าวว่าเราไม่เคยสอนเลยว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจในประโยชน์และความสุขของสรัรพสัตและผู้ที่ไม่ภาคเพียรพยายามให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมชาติแห่งสังขารทั้งปวงจะสามารถบรรลุ ถ, ถึง ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งพุทธภาวะอันสูงสุดได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะบรรลุถึงซึ่งพุทธภาวะควรภาคเพียรเจริญปัญญาบารมีร่วมกับกุศโลบายอันเลิศเทอ ขณะที่เธอกำลังเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดโลกุตรปัญญาหรือขณะที่เธออยู่ในฌานเธอย่อมไม่สามารถเจริญกุศโลบายอื่นๆเช่นทานได้แต่กุศโลบายสามารถเจริญควบคู่ไปกับปัญญาได้ในช่วงตระเตรียมและภายหลังการภาวนาซึ่งนั่น คือทางที่จะเจริญปัญญาและกุศโลบายไปพร้อมๆกันยิ่งไปกว่านั้นนี่คือวิถีทางของโพธิสัตว์ที่ท่านใช้ปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาและกุศโลบายไปพร้อมๆกันซึ่งนี่คือการเจริญในทางแห่งบารมีทั้งหอันเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งมหาการุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย และในขณะที่บำเพนบารมีอันเป็นกุศโลบายหลังออกจากการภาวนาให้เธอปฏิบัติทานบารมีและบารมีอื่นๆโดยปราศจากมิจฉาทิฐิเช่นเดียวกับนักมายากลอากัสยามตินิเทศสูตรกล่าวว่าอะไรเล่าคือกุศโลบายของโพธิสัตว์ และปัญญาอะไรที่ได้รู้แจ้งกุสโลบายของโพธิสัตว์คือการคิดและกำหนดจิตให้ตั้งมั่นอย่างแนบแน่นอยู่บนความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และการตั้งมั่นอย่างแนบแน่นอยู่อย่างสมดุลด้วยความสงบสุขและสารติสุขอันยิ่งภายในคือปัญญาของโพธิสัตว์ มันยังมีคําที่อ้างอิงในเรื่องนี้อีกมากเช่นในบทที่ว่าด้วยการควบคุมอํานาจแห่งมารกล่าวว่าการกระทําอันสมบูรณ์ของโพธิสัตว์คือความเพียรในการที่จะดํารงตนอยู่อย่างมีสติด้วยจิตแห่งปัญญาและการสร้างสมกุศลธรรมด้วยจิตแห่งกุศโลบายจิตแห่งปัญญา ย่อมนำไปสู่ความแจ้งชัดในความไร้ซึ่งตัวตนความไม่ได้มีอยู่อย่างจริงแท้ของสรรพสัตว์ของชีวิตจิตวิญญาณของสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรและของบุคคลส่วนจิตแห่งกุสโลบายย่อมนำไปสู่การกระทาที่ช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพัฒนาตนได้อย่างสมบูรณ์ ในอริยธรรมสังคีติสูตรกล่าวไว้เช่นกันว่าเชกเช่นนักมายากลผู้เชี่ยวชาญในการแสดงมายากลของตนเขายอมไม่ได้หลงยึดติดในมายากลนั้นเนื่องเพราะเขาเข้าใจชัดถึงความเป็นมายาของมันเนื่องเพราะโพธิสัตว์ผู้นั้น แจ้งชัดในความเป็นมายาของโลกทั้งสามท่านจึงสามารถดำรงตนอยู่ในโลกเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยไม่ได้หลงยึดติดในโลกมันเป็นเพราะการปฏิบัติทั้งในเรื่องปัญญาและกุศโลบายของโพธิสัตว์จึงได้มีการกล่าวไว้ว่าโดยการกระทาของท่าน ท่านยังคงอยู่ในสังสารวัฏแต่ในความคิดของท่านท่านดำรงอยู่ด้วยนิพพานด้วยเหตุนี้จงทำให้เกิดความชำนาญในเรื่องทานและกุศโรบายอื่นๆอันจะเป็นเครื่องนำไปสู่การบรรลุสู่ความหลุดพ้นอันสูงสุดโดยอาศัยแก่นแท้แห่งสุญญาตาและมหากรุณา และเพื่อที่จะทำให้ความตื่นรู้อันยิ่งแห่งโพธิจิตที่ได้มีไว้ก่อนแล้วนั้นเจริญขึ้นจงปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้อยู่เป็นประจำดังที่กล่าวไว้ในคัชระปาริสุทธิสูตรว่า จงฝึกตนเองให้ชำนาญในเรื่องกุศโลบายอยู่เสมอด้วยการหมั่นระลึกถึงคุณความดีของโพธิสัตว์ผู้อุทิศตนเพื่อความสุขของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา